สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศมิหารนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเช่นพรค่ะวันนี้เป็นการจัดรายการตอนที่ 17, 17แล้วนะคะไข่คลองนิดนึงก็ถ้าท่านผูฟังที่จะเข้าไปในช่องทางของการรับฟังรายการธรรมะสบายๆหรือว่าเสียงอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่อง จากพระอาจารย์สุชาตินะคะเข้าไปได้ที่ f ฟ c e b o o อีซ s y ธรรมะตัวอีตัวใหญ่ e T a, y, e a s y d h a m m a แล้วก็อีซีกับธรรมะเป็นคำที่ติดกันติดกันค่ะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวเรื่องสวรรค์นเนี่ยนะอ่านไม่ได้เนี่ยสีต่ตอนแล้วก็ค้างยาวไปเลยค่ะคือบางคนคิดว่าทำไมถึงไม่ออกตอนที่ห้าสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็อยากจะชี้แจงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่<ร> อ, อยากจะฟังรอฟังอยู่เนี่ยได้ เข้าใจหน่อยว่าคื อ, อเรื่องสวรรค์เนี่ยนะเราก็บันทึกเสียงอยู่ที่กุฏิแล้วก็ช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยแล้วก็ที่วัดเนี่ยช่วงนี้ก็มีงานก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้น mm. ก็เลยทําให้ว่าโดเสียงรบกวนโดยมากเนี่ยมันจะไม่มีเวลาที่จะยิบเงียบที่จะมาอัดได้นะก็เลยทําให้ต้องเว้นระยะหน่อยส่วนบางวันเนี่ยที่พอจะ บันทึกเสียงได้ลิ้นก็แข็งอ่านผิดหลือเกินก็เลยลบไปซะมีอุปสรรคหลายอย่างมีอุปสรรคหลายอย่างสุดท้ายก็เลยยังไม่ได้คลอดตอนที่ห้ามาสักทีหนึ่งแต่ก็คิดว่าคงจะไม่นานเกินรออาจจะพยายามจะทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณเกือบครึ่งเล่มแล้วแหะที่ที่ได้อ่านไปเพราะฉะนั้นก็ดูดูแล้วเนี่ยประมาณสักสิบตอนนี้ก็น่าน่าจะจบเล่มพอดี ก็เลยเออยากจะให้คนที่ฟังแล้วแล้วก็อยากจะฟังตอนที่ห้าหรือตอนต่อๆไปเนี่ยก็อยากจะให้อดใจรอสักนิดนึ ง, งช้าๆได้พราเล่มงามนะค่ะแล้วเรื่องนรกนะครหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ ว, ลวนรกเนี่ยมีเป็นเล่มที่ท่านนิพนไว้ไม่มากก็มีแค่สี่ตอนเท่านั้นแหละ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังเรื่องนรกให้ ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนทีเดียวเลยก็เข้าไปฟังได้ที่หน้าเพจ Facebook e a s y ธรรมะหรื อ, อใครที่คุ้นเคยกับเว็บของ archive ดีแล้วเนี่ยก็เข้าตรงไปที่ archive ได้เลยเหมือนกันแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังก็ได้หรือว่าจะฟังออนไลน์เลยก็ได้เหมือนกัน ส่วนรายการาธรรมะสบายๆนี่เราจะพระอาจารย์จะส่งขึ้นออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมเจออ้าค่ะจริงๆก็คือแพลนไว้อย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็ส่วนมากจะอัปโหลดคืนวันเสาร์เพราะว่าอัปโหลดเช้าวันอาทิตย์เนี่ยดูแล้วอ่ามันสู้ตอนอัปโหลดคืนวันเสาร์ไม่ได้เพราะหนึ่งเนี่ยตอนเช้ามันก็จะดูชุกๆระหุกหน่อยตอนกลางคืนก็จะสบายสบายกว่าแล้วคนส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ดึก สามารถที่จะพออัปโหลดไปปึ๊บก็ฟังกันได้ทันทีเลยซึ่งช่วงนี้นี่ไปไหนมาไหนนีก็เจอแต่คนป่วยนะเจค่ะอย่างช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ไปถวายงานที่โรงพยาบาลจุฬาก็จะมีหลวงพี่องค์หนึ่งเนี่ยท่านก็มาถวายงานอยู่เป็นประจําเหมือนกันแต่ท่านก็จะอยู่ช่วงภาคกลางคืนก็จะเจอกันช่วงเช้า บ้างนิดๆหน่นอยๆทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็เห็นท่านดูเซลเซียวนะแล้วก็ฉันยาฉันยาเสร็จก็นอนพักก็เลยได้ทราบว่าอ๋อท่านไม่ค่อยสบายคือท่านก็เลือดไหลไม่หยุดอนะคือท่านไปถอนฟันมาอแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดนะแล้วก็พอหมอก็ตรวจไปตรวจมาตรวจไปตรวจมาก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระยะสุดท้ายแล้วก็เลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอาการอะไรเลยก่อนหน้านี้ไม่มีจริงๆและถอนฟันมันไม่เกี่ยวอะไรกับเป็นมะเร็งนะ่แต่คล้ายๆกับว่าพอมันเป็นจุดเปิดให้เห็นว่าอ่าเรามีอาการผิดปกตินะแล้วก็ตรวจไปตรวจมาก็เลยเจอตัวนี้ขึ้นมาซึ่งฟังแล้วมันก็ดูหน่าสลดหดหูอยู่พอสมควรนะว่าโอะคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานนะเจ้าค่ะอืมแล้วก็แอดมิด อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละก็ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยก็คือได้นในเซลล์เซลล์ซี่ดๆมองๆนัออ่นแหละแล้วก็เลยโอ้มันเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยเรื่องของการป่วยไข่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะการันตีเลยนะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาหรือชีวิตเราเนี่ยจะยืนยาวไปได้ถึงพรุ่งนี้หรือสิปี20ปี30ปีเนี่ย มันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องการันตีเลยนะเจ้าค่ะนี่อย่างเรื่องนี้ก็เป็นอนุสติเป็นเครื่องเตือนให้อย่างดีเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นเขาแข็งแรงดีเจอกันอยู่ตลอดสุดท้ายมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็กลายเป็นว่าป่วยจนถ้าบอกว่าเขาเรียกว่าชีวิตก็เห็นแล้วละ่ะว่ารำไรรำไรได้อยู่เต็มที่เนี่ยก็ไม่มากแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น มันก็เป็นเครื่องเตือนะว่าหนึ่งเนี่ยความตายมันไม่ได้อยู่ไกลเราเราเท่าไหร่เลยนะความตายจริงมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอะไรเพื่อทำให้เป็นเครื่องการันตีในภพหน้าของเราได้เพราะมันเป็นเรื่องที่พอพอนึกแล้วมันก็สลดขนหูใจอยู่เหมือนกันนะ ไม่ใช่เฉพาะเรานะเรามันก็คิดถึงแต่ไม่ใช่ว่ า, เ, าเราคิดถึงเรื่องนี้เฉพาะตัวเราเนะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองนึกด้วยว่าจริงๆแล้วความตายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้อยู่ไกลกับตัวท่านฟังเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วมันอยู่ติด ก, กันเลยเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงออกมาให้เราเห็นแค่นั้นเองแต่เราอย่าไปรอนะอย่าไปรอให้มันแสดงออกมาแล้วเราก็ค่อยมาขนขวาย รีบแก้ไขอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องเรียกว่าเตรียมตัวรับมือกับความตายไปก่อนเพื่อที่จะมีหลักประกันว่าหลังจากความตายมาเยือนแล้วเนี่ยเราจะไปสุขติสุขติมีอะไรบ้างละ่ะยแมแแอสุขติสวรรค์พรหมนิพานเจ้าค่ะอ่ากับถูก <laughs> เวทุกหมดยมดาวสุขติก็มีมนุษย์มีสวรรค์แล้วก็พรหมโลกนะสามตัวซึ่งอะไรจะเป็นหลักประกันว่าเราตายไปแล้วจะไปสุขติเครื่องประกันอันนั้นก็คื อ, อบุญนี่แหละพระเจ้าจตรัสไว้ว่าจิตเตสังกฤิเถ ท, ทุกติปาติกังขา ก่อนตายเนี่ยจิตเศร้าหมองนะไปทุกขติจิตเตอสังตลิเถสุขติปาติกังขาก่อนตายจิตไม่เศร้าหมองไปสุขติแล้วเราจะทํำยังไงล่ะให้มันเป็นเครื่องการันตีได้ว่าก่อนตายเราเนี่ยจิตเราจะไม่เศร้าหมองก็เราก็ต้องฝึกจิตเราเนี่ยไม่ให้จิตเราเนี่ยเศร้าหมอง ให้จิตเราเนี่ยไม่เศร้าหมองอยู่บ่อยๆจนเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินของจิตของเราเนี่ยที่จิตเราไม่เศร้าหมองอยู่เรื่อยๆผ่องใสยอยู่เรื่อยๆนี่แหละมันจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าก่อนตายเราเนี่ยจิตเราจะไม่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องการันตีอะไรเท่าไหร่ที่ว่าขณะที่จิตเราเนี่ยจะออกจาก กายของเราเนี่ยแหละมันจะผ่องใสและมันจะเศ่อาหมองอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของการฝึกจิตยอย่างเดียวเลยถ้าเราฝึกจิตได้ผ่องใสอยู่บ่อยๆความคุ้นชินของมันเนยก็คือว่าก่อนที่มันจะออกจากกายตัวนี้มันก็ยังผ่องใสอยู่ได้เพราะความเคยชินอืม mm. ทีนี้คนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยอ่ามันก็ยังไม่มีเครื่อง g a r a n t ีแน่นอนตอนนั้นมันอาจจะเศร้มองก็ได้ หรือไม่อาจจะผ่องใสก็ได้เค่ะอย่างอย่างวันนี้อยากอยากแชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ฟังนิดนึงโยมเองก็เป็นผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติก็ต้องเรียกว่าเป็นขั้นต้นๆของการฝึกปฏิบัติก็คือการฝึกจิตนี่แหละการทำสมาธิแต่ว่าก็จะรู้ตัวว่าวันไหนที่ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราผ่องใส มันก็จะรู้สึกสบายอยู่ข้างในเพราะว่าเราก็จะพยายามอยู่กับกับลมหายใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ก็ลืมที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างวันนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแม้เหมือนข้างในมันขุ่นๆเหมืน ม, มันมันไม่ผ่องใส ม, มันอาจจะเจอปัญหากับกับปัญหารอบๆตัวที่มันมามากระทบใจเรา ก็ก็ลืมลมจริงๆเจ้าค่ะก็คือลืมอยู่ลืมมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ก็รู้สึกว่าใจเรามันมัวมัวสัวสวมันมันไม่ใสมันไม่รู้สึกสบายอยู่ข้างในเน่ยเจ้าค่ะแสดงว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายมเป็นอะไรไปเกิดอุบัติเหตุปุกปับเนี่ยนี่ลงทุกคติแน่นอนเลยอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเจ้าค่ะผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าต้องเป็นผู้ไม่ประมาทนะ เพราะนั้นเราต้องมีสติเนี่ยคุ้มครองใจรุ่ยอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดผู้เจ้าเนี่ยเคยถามพระอนุนเนี่ยพราอนุนว่าเออเธอระลึกนึกถึงความตายเนี่ยมาละกี่ครั้งร้อยครั้งวันหนึ่งนึกร้อยครั้งเนี่ยผู้เจ้ายังบอกประมาทนะยังน้อยไปใช่ไหน้อยน้อยมากร้อยครั้งต่อวันเนี่ยก็ยังน้อยนะแล้วท่านผู้ฟังล่ะวันหนึ่งเนี่ยเคยนึกถึงความตายไหมเคยระลึกนึกถึงไหมว่า เราจะต้องตายคนรอบข้างเราเนี่ยก็ต้องตายนึกได้เนี่ยวันละหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยพระเจ้ายังตรัสว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เลยนะเราเนี่ยนานๆถึงจะนึกได้สักทีหนึ่งนะหรือบางคนเนี่ยกลัวที่จะนึกถึงความตายด้วยซ้ํานะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าความตายเนี่ยกับคนทั่วไปแล้วเนี่ยพอพูดถึงความตายปุ๊บมันก็เป็นสิ่งน่ากลัวนะที่ เราไม่อยากพบไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นวิธีที่คนทั่วไปเนี่ยหรืออชาวบ้านทั่วไปเนี่ยใช้ก็คือหลีกเลี่ยงหลบหนีเป็นต้นนะอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงความตายเนี่ยเราผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกโอ้ยอย่าไปพูดเลยล้างไม่ดีเป็นต้นนะเจ้าค่ะคือพอเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะไม่อยากพูดถึงไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็น เรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความตายเนี่ยเลี่ยงได้ก็ไม่ให้พบไม่ให้เจอไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินแล้วพุทธเจ้าล่ะพุทธเจ้ากลับกันเลยนะเธอระลึกถึงความตายวละกี่ครั้งอ่าพุทธเจ้าถามอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยต่อสู้กับความตายได้ดีเนี่ยคือต้องระลึกถึงมันบ่อยๆพอเราระลึกถึงมันบ่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ เราจะไม่กลัวมันเราจะไม่หดหูไม่เศร้าหมองเมื่อมันมาเยือนกับเราแล้วถ้าเราไม่ระลึกไม่นึกถึงก็พูดง่ายคือถ้าเปรียบเหมือนทหารนะที่เขาไปสู้รบนะถ้าเราระลึกนึกถึงบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราส่งทหารเราเนี่ยไปซ้อมรบไปอยู่บ่อยๆมีการนัดซ้อมรบกันอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นความชำนาญความเชี่ยวชาญในการที่จะสู้รบเนี่ยจะมีมากแต่ถ้าเราไม่รึนึกถึงความตายเลยเนี่ยก็เหมือนทหารที่มันไม่ได้ซ้อมรบนะเพราะฉะนั้นพอความตายมาเยือนปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเอาทหารที่ไม่ได้ซ้อมรบเลยเนี่ยอยู่ดีๆมีสงครามจริงๆก็ส่งไปรบแน่นอนว่าเป็นทหารที่ด้อยคุณภาพนะสู้ยังไงก็แพ้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมรบอยู่บ่อย หักระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆพอเรานึกถึงความตายเนี่ยแทนที่มันจะเกิดความกลัวนะมันกลายเป็นเกิดความกล้าขึ้นมามันสวนทางกับกับกับชาวบ้านนะนะชาวบ้านนึกว่าเราเาห็นความตายเปย็นเรื่องน่ากลัวแล้วเราก็ไม่อยากพบอยากเจอแต่พอเราระลึกนึกถึงความตายจริงๆแล้วเนี่ยผลของการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยก็คือว่าความกล้ามันเกิดขึ้นนะ ความกล้าที่จะเผชิญกับความตายเกิดขึ้นแล้วก็ความไม่ประมาทที่เวลาเราพิจารณานึกถึงความตายไปแล้วเนี่ยก็เราก็จะได้ไม่ประมาทสิ่งใดที่เราควรต้องทำก็รีบทำสิ่งใดที่ควรละเราก็รีบละมันเสียให้ได้เพราะฉะนั้นการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพรา ะ, ะนั้นเราต้องพยายามนึกถึงให้ได้บ่อยๆอย่อยาเป็นผู้ประมาทแล้วให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาท สิ่งใดที่เร า, ายังไม่ได้ทําความดีอะไรที่เรายังทําไม่ถึงพร้อมก็รีบทําให้ถึงพร้อมซะอกุศล ใ, ใดๆที่เราเคยทําก็ละมันให้ขาดเสียให้มันขาดสมุดฉีทะมันตัดมันให้ขาดซะแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่เวลาความตายมาเยือนเนี่ยเราก็จะเชิดเชิดหน้าสู้กับมันได้ไม่กลัวไม่เป็นผู้หวัดเสดุง เมื่อความตายมาถึงพอเราเป็นผู้ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายไม่เป็นผู้ที่หวาดกลัวต่อความตายเราก็มีจิตที่ไม่วันไหวเมื่อความตายมาเยือนแน่นอนจิตเราก็จะเป็ น, ปนจิตที่ผ่องใสยอยู่ได้ไม่เศร้าหมองสุขติจึงเป็นเบื้องหน้าเป็นเครื่องการันตีสุขติของเราได้การที่เราหนึกนึกถึงความตายบ่อยๆเพราะฉะนั้นหนึ่งใน งานของจิตที่ผู้เจ้าประทานไว้ให้เราเนี่ยใน4ี่ิแบบ4ีส่สวิธีที่เอาไว้ฝึกจิตของเราเนี่ยมรณ า, านือมรณานสติคือมีสติรลึกนึกถึงความตายเนี่ยก็เป็นวิธีฝึกสติของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผู้เจ้าได้ประทานเอาไว้ให้นอกจากเวลาเราจะมาดูลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็ระลึกนึกถึงความตายด้วยเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเราจะเริ่มรณานสติไปด้วย เวลาที่เร า, ารเผชิญกับความตายเรานึกถึงความตายเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่าฟังเนี่ยลองใคร้ายโคลนสักนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ที่เราประพฤติเราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยเราตั้งตนอยู่ในความประมาณไหมอย่างพระศีลของพระเนี่ยสมบูรณ์ไหมสมาธิที่เราฝึกหัดเนี่ยเคยฝึกหัดไหมหรือว่าฝึกหัดไปแล้วเนี่ย สมาธิที่เรามีที่เราได้มันไปถึงตรงไหนแล้วมัจและผลที่เราเปฏิบัติมาเนี่ยมันได้มัจโสดาปฏิมัจหรือยังโสดาปฏิผลหรือยังจนถึงอรหัตมัจหรือยังอรหัตผลหรือยังคุณธรรมคุณวิเศษใดๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีแล้วหรือยัง อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนะอักศลใดๆข้อพระวินยัยใดๆที่ท่านทรงห้ามไว้เนี่ยเราก็ทำให้มันสมบูรณ์ไม่ขัดตกบกพร่องแต่ใช่อย่างเป็นคารวาสเนี่ยสี่ห้าเนี่ยคือยืนพื้นเลยเราทำสีลห้าได้บริบูรณ์สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าเรายังมีสีไม่บริบูรณ์เนี่ยแน่นอนจิตใจเราก็ เราร้อนรุ่มร้อนเพราะศีลเนี่ยถ้ามันไม่บริบูรณ์แล้วเนี่ยเรื่องต่างๆมันก็ถาถามเข้ามานะอย่างเช่นใครยังประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ยแน่นอนเรื่องวุ่นวายมันมีไม่รู้จบรู้สิ้นแหละหรือใครยังแอบทําร้ายคนอื่นทําร้ายเขาพยาบาทเขาเนี่ ย, ยจิตใจก็เป็นจิตใจที่มันรุ่มร้อนนะหรือมีจิตใจอยากจะได้ของคนอื่นในทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย พูดกันแนกันแนกคนอื่นว่าร้ายคนอื่นเป็นต้นเนี่ยสิ่งเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นทำเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราเนี่ยเป็นใจที่เศร้าหมองเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าศีลที่มันด่างพร้อยอยู่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าความเคยชินมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยก็เศร้าหมองอยู่จนเป็นนิดแต่ถ้าเรามีศีลที่บริบูรณ์แล้วแน่นอนว่า ความเศร้าหมองเหล่าเนี้ยก็เป็นอันที่เราป้องกันได้กําจัดไปได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอจิตของเราเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการที่จะไม่เศร้าหมองเป็นเบื้องต้นสร้างนิสัยให้จิตเราไม่เศร้าหมองได้เจ้าค่ะแต่โยมมีคําถามนะเจ้าค่ะอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่เนี้พระอาจารย์บอกว่า เราเป็นปุถุชนเนี่ยศีลห้าถ้าถ้าอยู่ในห้าข้อนี้ได้รักษาได้อย่า ง, างบริบูบรณ์ก็จะทาให้ไม่เศร้าหมองแต่อย่างยมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่พระอาจารย์บอกว่าอย่างสมมุติว่าเราเราว่าร้ายคนอื่นแบบนีย้ยมเชื่อว่าหลายหลคนก็คงไม่รู้สึกว่าตัวเองเศร้าหมองอะไรคงรู้สึกว่าสนุกด้วยซ้ำ ก็คือว่าเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำนะั้นมันคือทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะคือคนเราเนี่ยนะเวลาไม่เห็นใจเราเราเนี่ยนะกิเลสมันก็ทำให้เรามีความเห็นที่มันผิดผิดไปเพราะว่ากิเลสเนี่ยนะทำให้เราไม่เห็นใจตัวเองเออพอพูดถึงเรื่องนี้น ะ, ะ, ะก็นึกถึงเรื่องที่พระเพื่อนนะมาเล่าให้ฟังนะเจาค่ะเขาก็เล่าว่าม น, มนุษย์เนี่ยต้องการความสุขนะ ต้องการความสุขทีนี้มันก็มีมารอยู่สามตัวคือมารสามตัวเนี่ยนะมันก็จะเอาความสุขของคนไปซ่อนตัวแรกเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยนะมันเราต้องเอาไปซ่อนที่ภูเขาสูงๆมนุษย์มันปีนไปไม่ถึงหรอกอ่าหามไม่เจอแน่นอนหามไม่เจอหรอกเนี่ยนะไอตัวที่สองก็บอกว่าเหยโง่นี่ มนุษย์เดี๋ยวนี้มันมีเฮลิคอปเตอร์แล้วมันมีเครื่องไม้เครื่องมือดีจะตซน์มันสูงแค่ไหนมันก็ไปได้ดูซิมันไปถึงดาวอังคารมันกไปได้เลยนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปซ่อนในน้ําดิในน้ําเนี่ยนะมนุษย์มันต้องหายใจมันหายใจในน้ําไม่ได้เพราะนั้นเอาไปซ่อนในน้ําเนี่ยมันหาไม่เจอหรอกไอตัวที่สามเขบอกไอโง่เดี๋ยวนี้มันมีเรือดําน้ําแล้วมันไปได้หมดหลยร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน้ํามันไปได้หมดเพราะนั้น อาไปซ่อนในน้ำอะอย่างนี้ก็หาเจอทีนี้ไอตัวที่สามเลยบอกมนุษย์เนี่ยพวกเนี้ยมันไม่เคยหรอกที่จะเห็นใจตัวเองเอาความสุขไปซ่อนในใจมันสิมันจะไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่เคยรู้ว่าใจตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราไปซ่อนความสุขไปซ่อนไว้ในใจเนี่ยยังไงยังไงมนุษย์มันหาไปเจอแ น, น่นอนพอฟังแล้วเ อ, อ่มก็จริงๆริงนะเพราะจริงๆริงคนเราเนี่ยหาความสุข จากข้างนอกนะจากภายนอกเจ้าค่ะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไม่ได้มองย้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าเวลาเราดูหนังความสุขเราก็อยู่ที่ตัวหนังเวลาเราฟังเพลงความสุขของเราก็อยู่ที่เพลงเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักความสุขของเราก็คืออยู่กับคนที่เรารักแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอ มันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือการที่เราไม่ไม่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาความสุขเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เพลงอยู่ที่หนังหรือว่าอยู่ที่คนรักหรอกความสุขมันไปนปรากฏอยู่ที่ใจเรานี่นะอยู่ที่ใจเราคือถ้าเกิดบอกว่าอยู่ที่หนังถ้าเจอหนังเรื่องนี้เจอเพลงเพลงนี้หรือว่าเจอ คนรักคนนี้เนี่ยทุกครั้งมันต้องมีความสุขแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็เฉยเฉยแล้วมันก็มีความทุกข์บ้างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดของความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะมันอยู่ที่ใจเราเพราะว่าใจเรามันไปสําคัญว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราชอบมันก็จึงมีความสุขถ้าอย่างงี้อย่เราไม่ชอบมันก็จึงมีความทุกข์ พอคนเราไม่เห็นว่าสุขทุกข์เนี่ยมันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเห็นแต่สุขทุกข์ที่อยู่ข้างนอกอยู่แต่ภายนอกซึ่งมันยังไม่ใช่ที่ที่เกิดของความสุขและความทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นความหายัางไงก็หาไม่เจอแต่พอคนที่เห็นใจคนที่มาฝึกจิตรู้ว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ ใจเราจริงๆแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละทีนี้ก็ย้อนมาอยู่ตรงนี้ว่าเวลาที่เขาพูดไม่ดีหรือว่ามีความเพลิดเพลินในการพูดไม่ดีอย่างเช่นนินทาคนอื่นหรือว่ากระแนะกแนคนอื่นเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเขามองไม่เห็นหรอว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความเมา มีความเมาปักปนอยู่นะเวลาคนเมาเนี่ยนะมันก็เพลิดเพลินแต่มันเพลิดเพลินในสิ่งไม่ดีนะเหมือนเราเหมือนเรากินข้าวอะ่ะเราเร า, เรากินกินกินกินแล้วเราก็เพลิดเพลินนะกินไปกินไปกินไปความอ้วนมันก็มาเยืยนอนนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีรสชาติที่กิเลสเนี่ยมันซ่อนเอาไว้ให้เรายึดให้เราติด ให้เราเพลิดเพลินอย่ได้เรานินทาเขาเนี่ยเราก็เพลิดเพลินไปกับการนินทานะเราก็นึกว่าโอ้ยมันเป็ น, นปเรื่องสนุกมันสนุกมากเลยนะเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนอย่างอย่างที่ว่าไปกินน้ําตาลมากๆอมลูกอมมากๆฟันกระปุอ่ากินมากๆ ก, ก็อ้วนนี่เป็นตน้นคือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เคลือบแฝงมากับความถูกใจ ทำไมอย่างนี้เราถึงรู้สึกว่าต้องบอกว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นนายครองใจเราอยู่นะเพราะฉะนั้นไอเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยส่วนมากมันจะชอบใจเราจะชอบนะเพราะว่ากิเลสมันคอยบงการเราอยู่ให้เราชอบในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ในสิ่งที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราถูกใจนะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ถูกต้องก็คืออริยมรรคมองแ ที่เราจะต้องยึดไว้เป็นธรรมนูญของชีวิตของเราเระยะมากมีองค์แปดเนี่ยในข้อสัมมาวาจาเนี่ยท่านว่าอะไรไว้บ้างทาง่านกล่ว่าไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทําแต่เรากลับทําในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอ่ามันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะเราทําสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ถูกใจทำไมถึงถูกใจเพราะว่า ม, มันโดนกิเลสของเรากิเลสเนี่ยมันชอบเพราะนั้นมันจึงให้เราพูดให้เราทำให้เราคิดตามใจกิเลสเพราะกิกเลสกิมันเป็นนายครองใจเราอยู่แต่ถ้าเมื่อใดนายครองใจของเราเนี่ยกลายเป็นธรรมะเราก็จะไม่พูดแบบเดิมๆไม่คิดแบบเดิมๆก็มาพูดมาคิดมาทาตามแบบอรอยิยมรรคมีอง8 อย่างถ้าในเรื่องการพูดเนี่ยเราก็จะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบแล้วก็เวลาคิดเนี่ยเราก็ไม่คิดพยาบาทใครไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วก็คิดที่จะออกจากกรามด้วยออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้อันนี้คือข้อทีอ่อยากจะย้ำท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่ า, อ, าอะเรียมักโมื อ, องแปดเนี่ยท่านตรัสไว้ได้ค่อนข้างที่จะถ้าเรา ไม่ละเอียดละอเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ไม่ถีท้วนนะคือท่านตรัสในเรื่องของข้อห้ามว่าเราห้ามทําไม่ดีแต่สิ่งที่ดีเนี่ยท่านยังไม่ได้พูดไว้ในอริยมรรคมีองแปดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูที่ในโอวาทปาติโมกเนี่ยหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ท่านวางเอาไว้ให้เนี่ยท่านก็จะพูดว่าสัพพปาภาษาอกระนังคือไม่ทําบาตร ท, ท้งปวง ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับอริยมรรคในองแนั่นแหละก็คือเราไม่ทําชั่วเลยไม่ทําให้ดีเลยแล้วก็กุศลสู้ประมประาคือทําความดีให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นเอ็ข้อตรงนี้แหละที่บางทีเนี่ยบางคนดูแจกแจงอริยมรรคในองแลแล้วก็เอ๊ะทำไมพูดแต่เรื่องที่เราไม่ควรทํามันก็มาพ้องกันตรงนี้ตรงที่ว่ากุศลสู้ประมประาคือความคดีให้ถึงพร้อมเนี่ยความดีเราไม่ต้องทําหมดนะ แต่ทําให้มันเหมาะกับเฉพาะตนเฉพาะตนตามความสามารถที่เราทําได้อย่างเช่นเรามีตังหมื่นหนึ่งเราก็ทําบุญในแบบคนมีตังหมื่นหนึ่งคนมีตังสิบล้านก็ทําบุญในแบบคนมีตังสิบล้านได้เพราะฉะนั้นปริมาณมันไม่ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราทําความดีถึงพร้อมคือเราทําแบบไหนได้เราก็ทำทำไปอย่างตอนนี้เรามีความโกรธสิ่งที่เราทําได้คือเราให้อภัย ตอนนี้เรามีตังหมื่นหนึ่งเราให้ทานพันหนึ่งเราก็ทําได้แต่แต่ไม่ใช่ว่าเรามีตังหมื่นหนึ่งเราก็ทำหมื่นหนึ่งแล้วก็อดอ ด, อ, ดอยากอยากต้องไปกู้หนี้ยืมสินอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทําความดีเนี่ยก็ท่านก็จึงตัดว่าทําให้ถึงพร้อมเพรา ะ, ะนั้นเป็นคําที่ค่อนข้างจะสม บ, บูรณ์พร้อมอยู่แล้วนะในความหมายคือไม่ต้องทําหมดทําให้มันเหมาะสมกับตัวเองตอนเพราะฉะนั้น ก็อยากจะบอกท่านฟังว่าเวลาที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่เรายังมีวัยอันยังเรียกว่ามีวัยที่ยังสมบูรณ์อยู่เราก็อย่าประมาทประมาทในวัยว่าเรายังอายุน้อยอายุยังไม่มากเรายังอยู่ได้อีกหลายปีก็ขอให้อย่าคิดอย่างนั้นเรายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็อย่าพิ่ง มีความเพลิดเพลินมีความยินดีแล้วก็พูดง่ายอย่าประมาทประมาทในวัยประมาทในอายุแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเร่งรีบที่จะทําสิ่งที่ควรทําสิ่งที่จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราจะไปสุขติมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมโลกเป็นต้นแต่ถ้าจะให้ดีก็คือว่าเราก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ ยืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์จะดีกว่าดีที่สุดแหละไม่นจะดีกว่าดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติจนเราเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีทุกข์คือทําที่สุดของทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นเครื่องการันตีหนึ่งรเอร์ซนตเต็มว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่ไม่ไปอภัยแน่นอน เสร็จสิ่งที่มันดีกว่านั้นเวลาเราทำที่สุดของทุกได้ก็คือว่ามนุษย์สวรรค์พระมโลกเนี่ยก็ยังเกลืก่อกลัวไปด้วยความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่มีทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยู่ในทั้งสุคติแล้วก็ไม่อยู่ทั้งทุคติเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากวัตะคือการเวียนว่ายตาตเกิดที่เราจะต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏอันนี้ ซึ่งใครบอกว่าเป็นเทวดาเป็น อ, อยู่ในภูมิของผู้ที่มีความสุขก็จริงๆอยู่ก็มีความสุขนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเทวดาไม่มีความทุกข์ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันทุกแบบเทวดาเหมือนอย่างเศรษฐีเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ในแบบเศรษฐีนะพระราชามหากษัตถ์เขาก็มีความทุกข์ในแบบรนะพระราชามาหากษัตริย์ชั้นใดชั้นนั้นเทวดาก็มีความทุกข์แบบเทวดาพรหมก็มีความทุกข์แบบพรหม แต่เวลาเราฝึกปฏิฝึกหัดปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยืเนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมันดีกว่าเป็นเทวดาเป็นพรมไหนๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่ว่าขณะไหนๆเราก็ไม่มีทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะยมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่หันมาฝึกฝึกจิตใจแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์แล้วก็เคยมีเพื่อนๆ เ, เ, เนี่ย ในคน ร, นรุ่นเดียวกันก็ชอบถามเราว่ามีปัญหาเหรอชีวิต ม, มีปัญหาเหร อ, หหรอถึงได้ไปนั่งสมาธิ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็รู้สึกว่าเธอนั่นแหละที่มีปัญหาเพราะว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าจะหาทางไปยังไง<ม>ยังไม่เจอครูบาอาจารย์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิธีที่จะขัดเกลาจิตใจของตัวเอง<ม>ต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ยิ่งยิ่งพระอาจารย์พูดวันนี้เนี่ยก็ทาให้รู้สึกว่า ตัวตัวยอมเองก็อยากจะแบบอยากจะชวนเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยนะมามาดูจิตดูใจของตัวเองเพื่อเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่เ ข, ไมเขาไม่รู้ว่าในชีวิตประจําวันทุกๆวันของเขาเนี่ยมันมีทุกข์อยู่มากมายจริงๆเพราะว่าจากการที่ยมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเราเนี่ยก็ขัด กีเลศออกจากใจเราไปได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็รู้สึกดีมากเจ้าค่ะคือคนที่ยังมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของ <คน S 2> การกที่เราจะต้องมีเวลาแล้วก็รอตอนเราว่างๆตอนเราแก่ๆปวดกระเียนแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คงนั่งไม่ไหวแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการที่เรามีค้นนิยมที่ผิดผิดมา จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เรามีชีวิตตอนไหนขณะไหนที่เรามีชีวิตเราต้องปฏิบัติธรรมตอนนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปรอตอนอายุเท่านั้นเท่า น, นี้ถึงจะทำตราบใดที่เรามีลมหายใจทุกขณะที่เรามีลมหายใจนั่นแหละเราต้องเอามาปฏิบัติธรรมเพราะชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวอีก ห้านาทีหรืออีกสิบนาทีเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะก็อย่างเล่าไปเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยว่ า, า, าพระที่ที่เห็นเนี่ยนะท่านก็ไม่คิดว่าท่านจะมาเป็นโรคมะเร็งอันนี้นะเพราะฉะนั้นใครเราจะรู้ความตายของตัวเองเนี่ยว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้นะแล้วใครที่ยังคิดว่า เราจะอยู่ได้อีกเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกเพราะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทในไว้เราต้องรีบเร่งปฏิบัติธรรมถึงเราจะมีอายุยืนยาวถึงเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็คิดว่าเรามีอายุยืนยาวเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็รอเอาไว้ตอนที่เรา ใกล้ๆแล้วเราค่อยมาปฏิบัติธรรมคิดอย่างนี้ก็ผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาของการที่เรายังเกลียดกลัวไปด้วยความทุกข์อยู่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วตอนที่ใกล้ๆตายเนี่ยแล้วเราจึะถึงจะมาปฏิบัติธรรมให้มันได้ถึงที่สุดของทุกข์ได้เนี่ย หมาวามว่าเราก็จะมีช่วงระยะเวลาทีา่นิดเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์แล้วเราจะมีเครื่องอะไรเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมตอนท้ายๆของชีวิตเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําที่สุดของทุกได้ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีอีกเพราะฉะนั้นรีบทํานี่แหละแล้วรีบทํากิจคือที่สุดของทุกเนี่ยให้มันเสร็จได้เร็วๆ เ, เนี่ยแน่นอนหลังจากเราเสร็จการงานอันนี้ไปแล้วเนี่ย โอ้ยมันจะเป็นผู้ที่มีมีความสุขที่สุดในโลกนะในสามโลกเนะี่ยไม่มีใครที่มันจะมีสุขได้เท่ากับผู้ที่ที่ทําที่สุดของทุกได้แล้วนะโอ้มันดีมากอะ่ะทําไมเราถึงเห็นของดีเั็นของไม่ดีกันนะ <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าก็ก็น่าดีใจนะเจ้าคะเพราะว่านับปัจจุบันเนี้ยอย่างเวลาที่ยมได้มีโอกาสไป เป็นผู้ช่วยงานทำที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็มีเด็กๆ ก, ก็มาปฏิบัติธรรมกันหมายถึงว่าเด็กเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กตัวเล็กๆที่มากับพ่อแม่เขาก็ตามในช่วงของของการปิดเทอมก็น่าดีใจที่ มีการปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเยอะๆจะมานั่งฟังแค่นั่งฟังธรรมก็ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเาพูดถึงเรื่องของการปฏิบททัติธรรมมันทั้งเมื่อยทั้งปวดตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่มันสูงมากก็ยังรู้สึกว่าโอ้การนั่งนานๆนี่มันมันมันแหมมันเขาเรียกว่ามันทรมานมากเลยเจ้าค่ะคือเราเนี่ยนะเห็นแบบฉับเฉวยนะเหมือนเราดูหนังดูทีวีดูข่าวบางข่าวเนี่ย แล้วก็เห็นแว บ, บๆข่าวก็นําเสนอแบบแวบๆบางทีอาจจะไม่ได้เต็มเต็มช่วงถ้าบางทีฉายเต็มช่วงเนี่ยนะมันอาจจะได้อีกภาพหนึ่งได้ความเข้าใจอีกแบบหนึ่งทีนี้โดยมากเนี่ยเราเห็นการปฏิบัติธรรมก็คือเราเห็นจายการต้องมานั่งสมาธินานๆอย่างเดียวเป็นต้นมันก็ทําให้กันที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยดูแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราจะได้รับความทรมานสาหัสสากาัน แล้วก็เป็นเรื่องที่ดูอาจจะไม่มีสีสันดูไม่น่าจูงใจเหมือนเราไปดูหนังฟังเพลงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังสั้นๆที่เราฉายตอนสั้นๆนินดๆหน่อยๆนะเราไม่ได้ฉายไปตอนที่ว่าเวลาที่เขาปฏิบัติธรรมได้ถึงจุดที่ว่ า, าปฏิบัติธรรมรูปแบบจนกลายไปเป็นไม่มีรูปแบบด้วยรูปแบบแล้วเนี่ย เขาใช้ได้กลมกลืนกับชีวิตประจาวันของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สบายนะเขาก็ทำได้เหมือนคนปกติทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันได้กลมกลืนกับการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำทำงานเขาปฏิบัติธรรมได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจกันเนี่ยอันนั้นคือเป็นการเข้าสนามซ้อม เป็นการเหมือนที่เราส่งทหารเข้าไปในศูนย์ฝึกแล้วก็เทรนนิ่งให้ได้ทหารเก่งออกมาเพื่อเอาไปรบฉันได้ฉันนั้นการที่เราเข้าวัดมาหัดนั่งสมาธิการฝึกจิตใจให้เราจิตใจมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็เห็นใจเห็นอารมณ์ของตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นการที่ เ, เขาเรียกว่าเป็นการเทรนเทรนจิตใจให้จิตใจเนี่ยรู้จักว่าเราจะ หลบกิเลสตรงไหนแล้วก็มาอยู่ตรงไหนดีให้ใจมีเครื่องอยู่ที่ละวางกิเลสได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหลบได้เลี่ยงได้แล้วก็ไม่คล่องแวะยุ่งเกี่ยวกับกิเลสได้แต่รูปแบบตัวนี้สำคัญนะถ้าเราไม่มาฝึกตามรูปแบบตรงนี้เนี่ยให้คนธรรมดาฝึกยังไงฝึกยังไงเนี่ยก็คิดเอาเองทำเอาเองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะพ้นเงื้อมือของกิเลสไปได้ไม่มีทางพ้นที่จะโดนกิเลสเนี่ยมันกวาดต้อนเข้ามาปุยปุยมบางคนบอกว่าเฮ้ยเราคิดถูกเราคิดอย่างงี้ๆเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็พอไปได้นี่ชีวิตเราก็พอแก้ปัญหาทุกก็น้อยลงก็ถูกต้องนี่แหละเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยหยาบๆมันก็ต้องใช้ความคิด แต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความคิดมันก็ยังหยาบไปสําหรับการแก้ใจของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกใจจนเราเห็นใจของตัวเองแล้วเนี่ยความรู้ต่างหากที่มันจะแก้แก้ใจได้แก้ทุกข์ของใจได้แค่รู้เท่านั้นแหละมันจึงวางแค่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมันก็วางได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังคิดอยู่ เจอปัญหาแล้วยังมีความคิดติดตรองอยู่ก็ยังช้าอยู่เราก็ยังแก้กิเลสได้ไม่ทันนะนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดไม่อะไรนะแล้วมันจะแก้ทุกไม่ใช่นะอันนี้ต้องบอกท่านฟังว่าขอให้ท่านฟังเนี่ยเข้าใจภาพก่อนว่าการแก้กิเลสหรือว่าแก้อุปสรรคเนี่ยมันก็มันมีทั้งภายนอกภายในภายนอกเราก็ต้องคิดต้องแก้ปัญหาไปตามระเบียบตามเรื่อง ราวที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นเหมือนตอนแรกๆเลยเนี่ยตอนที่สองละมั้งที่ว่าดเรื่องรถชนนี่ยนะเจ้าค่ะรถชนเนี่ ย, นนยมันก็มีปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องลงไปเจราจาใครผิดใครถูกแน่นอนสิ่งที่เราต้องแก้ก่อนเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูว่ า, าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องแก้ภายในไปด้วยนะแก้ว่าเราหงุดหงิดไหมหงุดหงิดเรารู้เท่าทานันแล้วก็ปล่อยวางอันนี้คือแก้ภายใน แล้วแก้ภายนอกนี่คือรถมันชนมันขวางทางเขาอยู่เราก็ตกลงกันแล้วเราก็เอารถไปอยู่ข้างทางจะได้ไม่กีดขวางการจราจรของใครมันต้องไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะมปนั่งเฉยๆรู้ๆๆๆเท่าทันใจของเราแล้วเราก็ไม่แก้ข้างนอกเขาก็มากล่นด่าแล้ ว, ว่ า, ารถขวางทางนี่ขับรถยังไงอแล้วก็ไปนั่งทื่อๆแก้ใจของตัวเองอันนี้มันก็ยังไม่เป็นผู้ฉชนะนะ คนฉลาดก็ทำได้สองงานพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่แก้ข้างนอกไปด้วยปัญหาที่เกิดมีแล้วก็ทำให้มันรู้ล่วงไปแล้วก็แก้ภายในใจให้เราไม่เป็นผู้ที่ถูกโทษสะครอบงำไม่ถูกกิเลสเนี่ยมาคอยผู้ยี่ผู้ยมหัวใจเราเจ้าค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาฝึกที่จะ รู้ใจตัวเองให้พระอาจารย์บอกนิดนึงว่าจะมีช่องทางที่ไปฝึกปฏิบัติทําได้ยังไงเจ้าคะ่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหงโศกก็คือว่า w p d h s o r g พอถ้าฟังเนี่ยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็จะมีทั้งเทศของหลวงพ่อดรสะอาดอิโตประสนเนี่ยให้ฟังกัน แล้วก็บทความท ร, ร ม, มาต่างๆอีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติธรรมโดยที่ตารางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีให้ท่าฟังเนี่ยได้ดูว่าเดือนไหนเดือนไหนมีวันไหนวันไหนซึ่งจะมีทุกเดือนแล้วก็แผนของคอร์สเนี่ยก็จะวางไว้เนี่ยล่วงหน้าถึงปีหนึ่งเพราะฉะนั้นท่าฟังคนไหนเนี่ยที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมก็จะ มีโอกาสที่จะวางแผนล่วงหน้ากันได้ยาวๆว่าเพราะว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาจจะต้องกี่เวลาถึงเจ็ดวันเต็มๆรวมวันไปวันกลับก็อาจจะเก้าวันเก้าวันทีนี้ก็เลยทำให้ท่างฟังเนี่ยอาจจะลางานได้ลาบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีเลระยะเวลาดูล่วงหน้ า, านา น, นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแลนได้แล้วก็ ได้ลองไปปฏิบัติดูได้ลองไปฝึกหัดแล้วก็ได้รับรู้ว่าเวลาเราฝึกหัดใจแล้วมีความทุกข์ทางใจน้อยลงเนี่ยมันดีไม่รู้จะดียังไงนะแล้วเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วมีสุขติเป็นเบื้องหน้ามีการมีการที่สแตมเครื่องการันตี อนาคตของเราว่าเราจะมีสุขติเบื้องหน้าไม่ใช่ทุขติก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปฝึกฝนขัดเกลา้ะก็ไปรู้ใจตัวเองกันได้ที่คอสปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะมีทางเลือกลองเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ลองไปฝึกใจไปฝึกที่จะรู้ใจตัวเองกันเพื่อลดความทุกข์ในใจให้น้อยลงแล้วก็ทาให้อ อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะไปบอกผู้อื่นให้มีความสุขตามเราไปด้วยก็ได้นะนั่นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายบายแล้วนะคะกราบน้ำมัสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะจุฑพร